ขอความเจริญในธรรมมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเร่งธรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ใครจะนำท่านผู้ฟังไปศึกษาอธาธิบายและประตูทานที่พระเจ้าทรงประรบพฤติกรรมของพระเจ้าประสิฐนิ์ในปุสุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลุ่มของนักจารชน ที่ลอมตัวเป็นนักบวชแล้วก็กลับไปถึงบ้านก็แต่งตัวเป็นชาวบ้านแต่งงาน อ, าอยู่ร่วมกับครอบครัวต่อไปมันเป็นการทำให้สถานภาพของความเป็นบรรพชิตที่ถูกปิดเบือนคือบรรพชิตแปลว่าผู้เป็นบาป แต่รูปแบบที่นํามาใช้นั้นเป็นเรื่องของการกระทำบาปที่ทรงเน็นได้เห็นอยู่สามสี่ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกบันพิชิตไม่ควรพยายามในบาปรกรรมทั่วไปประเด็นที่สองไม่ควรเป็นคนใช้ของผู้อื่นประเด็นที่สามไม่ควรอาศัยผู้อื่นเป็นยู่ ประเด็นที่สี่ก็คือไม่แสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่แก่ทรัพย์มันเป็นคุณลักษณะของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาแต่พึ่งเข้าใจว่าบรรพชิตเหล่านั้นไม่ใช่ในพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าพุทธอุทานป ร, รละลุสถานภาพบรรพชิตปลอมคือเป็นนักบวชปลอมที่ไปทํางานการชนกษาก็มาเป็น การให้ความเข้าใจในสถานภาพที่แท้จริงของบันปิชิตที่แท้จริงก็ถือว่าเป็นการกําหนดคุณลักษณะของบันปิชิตประการหนึ่งเนื้อหาสาระของความเป็นปิชิตนั้นแปลว่าผู้เว้นบาปแต่ว่าพฤติกรรมของปรชนเหล่านั้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้เว้นบาปดังนั้นจึงทรง สะท้อนภาพของบรรพชิตในประพุทธศาสนาให้เห็นตัวประเด็นที่น่าจะทำทำความเข้าใจก็คือว่าเราไม่จัดถึงบุคคลเหล่านั้นโดยตรงแต่ว่าเป็นการสัตว์ถึงเนื้อหาสาระของนักบวชในประพุทธศาสนา ท่านใช้คำว่าเป็นเทศนาวิราชคือความไพเราะสละสรวยของพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงสแสดงพระเจ้าประเสริฐกุศลเองก็ได้ประกาศได้เห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใสที่ท่านมีต่อกับพระพุทธเจ้ายิ่ถึี ข้อความในประเด็นตรงนี้ก็คือประเด็นแรกว่าบรญปัญชิตไม่พึงพยายามคือไม่พึงทําความพยายามโวนควายในการทําความชั่วทั้งหมดคือวิธีการรับใช้ชาวบ้านในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นนักบุตรจริงนี่ท่านเรียกว่าเป็นอนเนศนาคือเป็นการแสวงหาที่ไม่สมควรีรายละเอียดเยอะ ท่านปรับเป็นอาบัตเอาไว้หมายความว่าพระไปทำอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นอเนสนาหรือว่าเป็นการแสวงหาในทางที่ที่ไม่ชอบไม่ควรแก่สถานภาพของความเป็นพระแต่สังคมเรามันเปลี่ยนแปลงไปมากพระพุทธบัญญัติในแนวที่เรียกว่าอเทอเนสนากับบาปสมาจารการประพฤติ ท, ที่เป็นบาปเับอเนสนาที่จริงเป็นบาปด้วยกันนะครับ แรืว่าบางอย่างมันกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วพระที่ไปประพฤติในลักษณะนั้นท่านก็ไม่รู้นะฮะว่าวินายห้ามไว้จริงๆก็ความเหล่านี้ก็อยู่ไม่ไกลนะอยู่ในพระธรรมยันโทแต่ น, นั่นเองหนังสือวิ น, นยายมุกเล่มสองเป็นการอธิบายอเนชนาไว้ยี่สิบเอ็ดอย่างหลงการทาหน้าที่เป็นทูต แล้วก็ทำการสวดแหนมเป็นต้นเนี่ยของราชบุรุษเหล่านั้นที่ใช้รูปแบบของความเป็นนักบวชก็ถือว่าเป็นอเนเ น, นาในฐานะของบันพิชิตพระพุทธเจ้าพูดรับสั่งเฉพาะบัรพชิตในพระพุทธศาสนานะฮะไม่ได้พูดถึงเขาหรอกไม่พึงพยายามในกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดพึงพยายามเฉพาะในเรื่องบุญ หมาความมาหน้าที่หลักที่จริงของมนุษย์ทั้งหลายได้สาไปเวลาที่หลักของมนุษย์ก็คือละบาปบาเพ็ญบุญดันจิตและของแผ้วศาสนาอะไรจะเรียกยังไงนะ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดีวพัฒนาการของความเป็นมนุษย์ก็คือบาปต้องลดลงบุญต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าใจก็ของแผ้วขึ้น ข้อที่ทรงเน้นย้ำเป็นพิเศษก็คือว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเพราะมันจะเป็นเมื่อยาดฝนแม่จะตกลงมาทีละหยาดแต่สามารถทําภาชนะที่รองรับให้เต็มได้บุญก็ลักษณะเช่นเดียวกันก็คืออย่าไปดูหมินม่นนะบุญเล็กน้อยแล้วจะไม่ให้ผลพระบุญบางเรื่องอย่างที่เคยเล่าเรื่องมัถะกุณทลีเทพบุตร มันเกิดขึ้นเพียงทมจิตด้เรื่อมใสในพระพุทธเจ้าช่วงขณะก่อนดับจิตเท่านั้นเองอยังได้บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เป็นเทพประบุหรือบางคนคาถวายเพียงเข้าตอกแฉพระมหาคาถาปะ เ, าเกิดเป็นเทพธิดาหรือบางทีสัตว์อย่างกบเนี่ยฟังธรรมะที่พระท่านสวดโดยความเข้าใจว่า น, นั้นคือธรรมะ แล้วก็ถูกพราหมย ไ, ไม้เท้านะฮะกระแทกลงถูกศีรษะตายแล้วบังเกิดเป็นบันทึกะที่ประบุถึงตนงการเชื่อในเรื่องเหล่านี้ที่จริงไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรถ้าไม่จิตใจของบุงคนมีความรเมัดละใหม่ในการตังเกียดบาตรขยกักแย้งตบบาตรแล้วพอใจชื่นชมยินดีในการทําความดนะีข้อต่อไปก็ รับสั่งว่านานยัตระนัญยัตสะปุริโสสิยาไม่พึงเป็นคนรับใช้คนอื่นโดยรูปของบรรปชิตหมายความว่าถ้าครองเพศเป็นบรรพชิตอยู่ไม่ควรทำงานอะไรก็ตามที่เป็นการรับใช้ต่อบุคคลอื่นเว้นไว้แต่กรณีเช่นสมมติว่าญาติโยมมานนมนฑลพระ เพื่อประกอบบุญในพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะอย่างนี้พระก็ต้องคนขวายช่วเหลือแต่รับใช้ในกิจกรรมของชาวบ้านอย่างพวกป ะ, ะชาชนเหล่านี้เป็นรับใช้ในกิจกรรมของบ้านเมืองมันไปชี้ติแท้ทจริงก็ไม่ควรจะกระทํแาแล้วก็อธิบายว่าการกระทําการสอดแนมเนี่ย มันก็เป็นความช่วอย่างหนึ่งสมัปบรรพชิตนะฮะสมัปชาวโลกแน่นอนแหละเขาก็ต้องมียแต่ถามมาช่วให้ก็ชั่วนยะคือการนั่งเหตุผลอะไรก็ตามนะรับแล้วาการกระทํานั้นมันเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของราคะโลภะโทสะโมหะแล้วก็ต้องถือว่าบาปเพราะบาปมันไม่อยู่ที่ศาสนาไหนใดศาสนาหนึ่ง จะอยู่ที่เป็นแรงดันของกิเลสเรยกว่าการกุ้มกลุ่มใจของกิเลสแล้วทำออกไปพูดออกไปคิดออกไปมันก็เป็นบาปทัางนั้นแล้วก็มีความทุกข์เป็นผลทั้งนั้นเพราะเมื่อมีการกระทำที่เป็นบาปแล้วท่านจะอยู่ในนามาศาสนกของาศาสนาอะไก็ตามไม่สามารถจะรอดจากบาปได้หรอกแม้แต่ตัวาศาสนาเองก็เถอะ แต่๋ถ้าหากว่าทำกรรมที่เป็นบาปมันก็ตนกนรกเหมือนกันไม่มีสิทธิพิเศษอะไรแต่ว่าคนมักจะคิดคล้ายๆกับตัวเองมีสิทธิแล้วก็ไม่ต้องบาปอันนี้คือเป็นความคิดที่ผิดพลาดมากบางคนบอกว่าฆ่าคนต่างศาสนาในนามพระเจ้าไม่บาปมันก็บาปพระเจ้าไม่มีสิทธิอะไรที่จะไปฆ่าใครสมมติเรมีจริง เราอย่าลืมนะฮะถ้าพระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้วพระผู้เป็นเจ้ามีสิทธิ์ที่จะฆ่ามนุษย์เรานันได้ก็แสดงว่าลูกพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ฆ่าลูกได้มันก็คือกันคือไม่มีสิทธิ์จะฆ่าด้กันทั้งสองฝ่ายเพราะมนุษย์เป็นสมบัติของแผ่นดินมนุษย์เป็นเรื่องของมนุษยชาติมาเกิดปั๊บมาถึงกฎหมายก็คุ้มครองรักษา มันแง่มุมกฎหมายแต่ในแง่มุมของบาปเนี่ยมันเป็นความสากลในแงมุมกฎหมายบางทีเนี่ยการฆ่าบางเรื่องเนี่ยเขาไม่ถือว่าผิดแต่ถามว่าบาปก็ผิดเนี่ยบางทีมันคนละเรื่องกันนะต้องแยกกันให้ออกว่าไอ้บาปก็คือบาปผิดก็คือผิดบางทีเป็นบาปในแง่กฎหมายเขาไม่ผิดแต่มันเป็นบาปบางทีเนี่ยมันไม่เป็นบาปหรอกแต่กฎหมายว่าผิด นั่นก็เป็นบาปกฎหมายว่าผิดก็เป็นบาปในแง่มงกฎหมายคือเป็นความผิดในแง่มงกฎหมายแต่ถ้ายริงมันไม่ได้บาปอะไรยังความเห็นทั้วิธีการบางอย่างของพฤติการเมืองบางอย่างบางข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้จริงมันไม่บาปอะไรเช่นสมมติว่าใช้คําว่าเสวง จ, จุดรวมสมุน จ, จุดต่างเนี่ยที่จริงมนุษย์มันก็ใช้อยู่แล้วเสวงจบดรวมสมุน จ, จุดต่างเนี่ย เลยเป็การประณีประนอมกันหรือถ้าเอาจุดแข็งมาชนกันมันก็พังวันไอจุดอะไรที่ปรับเข้ากันไม่ได้ก็อย่าเข้ามันก็เข้ า, าเฉพาะจุดที่เข้ากันได้เป็นนิธิาการโดยทั่วไปอยู่แล้วแล้ว บ, บับงคับบังคาลัฐธิการเมืองกําหนดให้เป็นความผิดก็ผิดแต่ถามว่าบาปไหมมันก็ไม่บาปเพราะเจตนาไม่ใช่เจตนาที่เป็นบาปแต่ว่า ในรายละเอียดก็ต้องว่ากันเป็นกรณีขึ้นอีไปนะก็ต่อไปก็รับสั่งว่านานยังนิษยายีเวยยเป็นผู้ไม่อาศัยบุคคลอื่นมีเสื่ชนเป็นต้นอันนี้ก็หมายความว่าเป็นการลักษณะไปไปจบประแจงชาวบ้านเห็นว่าสุขทุกข์ของเราเนื่องโดยพูดนั้นดังนี้แล้วจะเลี้ยงชีพ คือเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยจะมีคนอื่นเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยการบิณฑบาตของพระให้เราสังเกตว่าเดินโดยเนื้อหาของความพระของความเป็นพระจริงเนี่ยก็อุ้มบาทเดินไปเท่านั้นเด็กเขาเรียกว่าเที่ยวเไปโดยเจตนาที่จะได้ก้อนเข้า จากศรัทธาของชาวบ้านที่เขาถวายเขาทำบุญกับบาทเขาทำหรือไม่ทำนั่นเป็นอีกความคิดหนึ่งนะจะมาขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่เห็นถ้าเขาเห็นว่าท่านเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับควรแก่การคำนับควรแก่การทำบุญควรแก่การกระทำอัญชลี่เพราะท่านอยู่ในฐานะเป็นเนื้อหน้าบุญของเราก็ทาก็เป็นเรื่องของเขา แ้่เขาไม่ทำมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเป็นภารกิจของพระนั้นมาเที่ยวพิชญาจารย์อิบาทไปคนดั ง, งกระทำหน้าชี้กันตัวเองรู้ปรารถนาบุญก็ทำบุญไปแล้วท่านบอกว่าไม่พึงอาศัยอคุศุลกรรมอื่นเลี้ยงชีพอันนี้คือวิธีการต่างต่างวิธีการหลอกลวงทั้งหลาย เลยเห็นว่าในแวดวงของศาสนาเราหรือศาสนาอื่นก็ตามมีเยอะนะยันในศาสนาบางศาสนาเป็นการเล่นแบบไี่ก็มีอะไรนะหน้าม้าตัวเองทำทีเป็นคนพิการพริกลพิการในประการาต่างๆไอ้พวกนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์ความศักดิ์สิทธิ์ความยิ่งใหญ่ของตัวเองแล้วก็หน้าม้าก็ออกมา ด้วยอาการดิพิการอ่ะพวนี้ก็ทําทำโป๊ปัปดๆ อ, อ, อ, อะไรเสกๆไปนิดหนอยแล้วก็หายเดินหายไปนะคนเนี้ยอย่าต้มคนอยู่ได้ตลอดแล้วก็เรารวมมาตั้งแต่เริ่มเลยเออนี่ก็ยังหลอกลวงเลยแล้วในแวดวงเหล่านี้เราจึงพบว่าบางเรื่องแม้ในแวดวงของพระเนีย่ยคือมันอยู่ในสภาพไปเกิดไม่ข้าวขายไม่ออก คณะสงฆ์เองก็ไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพระศาสนามันไม่ใช้ อ, อักยาหรือไม่ได้ใช้มาตรการกฎหมายเป็นมาตรการทางวินัยว่าข่าวตเตือนให้สติชี้แนะถ้าท่านทำตามก็ทำตามไม่ทำตามก็ไม่รู้จะทำยังไงนะถึงเข้าไปมีหน้ามา้ามีลูกช้างมีอะไรต่ออะไรเยอะนะฮะห้อมล้อมอยู่ ไปชี้แจงอธิบายอะไรเขาไม่ได้อต่เดี๋ยวก็โดนลูกน้องอันตรพาลรุมซอมเอาปัญหามันเยอะปัญหาเนี้ยเรียกว่าต้องขออารักขาจากรัฐเพราะอะไรเพราะคนที่ปลอมบวชนั้นเป็นคนของรัฐไม่ใช่คนของศาสนาทุกคนเนี่เป็นคนของรัฐอามาเคยคุยกับพวกกระทรวงมหาดไทย คือวขนั่งอยู่ตั้งแต่แล้วทตรีช่วยนะฮะแล้วก็ประหละัดกระทรวงอธิบดีกรมการปกครองรองอธิบดีอะไรกันั้นเราไปเราไปฟังเรื่องงานวิสาขบูชาตั้งปัญหาถามว่าใครควรเป็นผู้นำรัษฎรในการจัดงานวิสาขบูชาคือถ้าเรามองแล้วเรามองไปที่กรมการศาสนาหรือว่าสํนานักงานพระพุทาสนาแห่งชาติ แต่เราลืมไปนะว่าตรงนี้ที่จริงไม่ใช่เรื่องกิจกรรมของสงฆ์แต่ว่าเป็นกิจกรรมของชาวบ้านที่จะทําหน้าที่เป็นรูปพิธีกรรมในการบูชาต่อพระผู้มีพระภาคพุทธาสมัยก่อนเป็นใครอ่ะพุ น, นําสมัยก่อนเป็นพระมหากษัตริย์แต่พผู้ น, น, นํามอำนาจพระมหากษัตริย์นี่อยู่ที่ใครอํานาจทางฝ่ายบริหารนะอยู่ที่ใคร ก็อยู่ที่คืออยู่ที่มาไทยมันภารกิจเหล่านี้มาไทยต้องเอาตรงนี้มาด้วยมันไม่ใช่เรื่องบริหารดูแลระศาสนาแต่ว่าเป็นการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนามคนทุกคนเนี่ยมันพระเบียร์ราดอยู่ที่มาไทยเพราะนมาไทยจะต้องเป็นผู้นำมันไม่ใช่ให้ทหารไม่ใช่ให้กระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่ให้ใคร แล้วก็บอกให้ลองปรึกษากันดยลองคิดกันดูวัรุ่งเช้าก็เจอกันเขาก็บอกว่าเข้าใจแล้วเดี๋ยวพอเข้าใจเขาก็าเกียณนะนะเข้าใจก็เสียงณไปเราจะไปตามอธิบายอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้เพราะว่าลักษณะความไม่รับผิดชอบเนี่ยมันเยอะหรือคนอยากเป็นแต่ไม่อยากทําอย่างที่บอกว่า คือการอยากเป็นมันตอบสนองเพราะวะตัญหาแต่ว่าการทำความดีเนี่ยเป็นเรื่องสัมมาวย า, มายมะคนไหลไปทางกิเลสได้ง่ายกว่าไหลไปทำธรรมะปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นวันพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่านานยังนิสายะชีวยะ คือไม่พึงอาศัยบุคคลอื่นเลี้ยงชีพหรือว่าใช้วิธีการแบบอกุศลหลอกลวงเห็นว่าอะไรล่ะตัดกรรมอย่างเงี้ยล้างบาปอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะฮะต้มชาวบ้านอยนี้ชาวบ้านก็มาสอบถามมาทำยังไงจะล้างบาปได้แล้วก็จากการสังเกตที่เราไปอบรมเด็กที่ ว, ว่าผูกแก้วเ่อสูงเงิน 8-9 เกปีแล้วนะคือการล้างบาปเป็นถามทุกครั้งที่มีการบรรยายแล้วก็ไม่ใช่คำเดียวไม่ใช่คำถามค้อนเดียวคือถามหลายครั้งมันก็แสดงให้เห็นดังแนวที่สอนกันบิ ด, ดเพื่อมุ่งผลประโยชน์ตัวเองมทมพิธีสะดอกเคราะห์บ้างสิ่นกระแสกรรมบ้างตัดกรรมบ้างล้างบาปบ้างอะไรตัไหน คือวิธีการอันนี้มันลวงโลกมาได้ตลอดบนเส้นทางประวัติศาสตร์ไม่เคยหยุดแต่คนก็มีปลาตาบอดรอดพงพางให้รู้ตลอดทั้งท่านต้รู้จะว่าอย่างไงยันในชาดกที่มีเยอะมากหลายเรื่องประท่านทร่วุทเจ้ารับสั่งเล่าตัว อ, อาศัยวิธีบาปอากศุศลต่า ง, างลวงโลก แหวหาประโยชน์เพื่อตัวเองพวกพฤติกรรมบูชายันทั้งหลายเป็นควาที่จริงลักษณะอย่างนี้นคือหางกินกับความโ ง, คมง่ความกลัวของมนุษย์ประกอบพฤติกรรมบูชายันต่งต่างแล้วก็ส่วนมากในสมัยโบราณเนี่ยมันก็มักจะเอาพระราชาเนี่ยเป็นพระเอกในเรื่องพระราชาก็ถูกต้มได้เหมือนกันใน เป็นโวนาในพิธีกรรมในการบูชายัญนนต่างๆเนี่ยตอนตอนพระเจ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์ตอนธนูต้องใหม่ห น, นะตอนนั้นพระเจ้าพิมิสารกำลังทําพิธีบูชายัญพระโพธิสัตว์ทรงพระโพธิสัตว์ทรงอุ้มแพ้ที่เขาต้อนไปเพื่อเข้าในพิธีบูชายัลูกแพะขาหั ไปถึงก็สเสด็จเข้าไปเนี่นยพระเจ้าพิมิสารงงบริษัทบรรยายชี้แจงอาธิบายจนพระเจ้าพิมิสารต้องปล่อยสัตว์มอเลิกกิจกรรมมุษยำหรือการอาศาัยบาปเพื่อเป็นเครื่องมือในการเลี้ยงชีวิตในที่จริงไม่คุม้มเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตที่เราไปเลี้ยงด้วยบาปเนี่ยมันต้องแตกต่าง เรีว่าจิตที่เจตนาในการทําบาปในการพูดบาปในการแสวงหาในบาปนี่มันเป็นสิ่งที่ติดตามเราไปแล้วก็เป็นภูมิจิตนําไปสู่พบนําไปสู่ชาตินําสู่ชาตินําไปสู่พบที่หยาบความแรงของอกุศลเรานะี่ยที่พระเจ้ทรงสรุปว่าจะหลงตายแล้วก็ตายไปแล้วบางเกิดเป็นพระจิต เัอนจึงรับสั่งว่าทมเมนะวันนีเจเรหมายความว่าคนเนี่ยเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นบันชิตก็ไม่พึงกล่าวทมเพื่อต้องการทรัพย์อันนี้บางทีเนี่ยเราเคินนะฮะคือ เมื่อก่อนยายมาได้เคยรับอาราธนานิมนต์ไปเทศที่โบสถ์พระแก้วนี่บ่อยมากแต่ว่าตอนนี้หัวหน้าวสุเขาก็ตายไปแล้วเราคงไม่มีใครรู้จักอัะเวลาเราเริ่มเทศเนี่ยจะไี้ไรเสียงก้องแกงก้องแจงก้องแกงก้องแจงหรือวันหนึ่งก็บอกเขานะบอกเขาบอกว่กาโยมถ้าต้องการได้มามาเทศเนี่ย โย ม, ม, มนมนต์ไปเลยแล้วโยอมไม่ต้องถวายจสจาต่างหรอกเจาต่างก็เก็บไว้ท่านุบบมบงวัดนี่แหละแต่ขอสักอย่างอย่ารีไรในขณะที่เศษคือพระผู้เทพมันจะเสียความรู้สึกมากนะฮะมันคล้ายๆกับเราเล่นปลาหีรับจ้างอะไรชอบคน <c oughs> มันก็เล่นปลาฮีเล่นเคาะกออะไรอะไรต่างๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ คือการทำงานในรูปแบบของบงันทึกชิตที่ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นต้องวางอยู่บนพื้นฐานของเมตตากรุณ า, ามุ่งประโยชน์แก่คนที่เราทำงานเป็นที่ตั้งโดยโดยไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรจากการกระทำตรงนี้ท่านแสดงให้เห็นว่า คือนำทรัพย์ไปโดยการค้าจะเชี่ยวเอาธรรไปทําการค้าอย่างนั้นว่าบุคคลผู้มีกรรมมีการสอดแนมเป็นต้นเนี่ยเหมือนกับคนของพระเจ้ากุศลทําการสอดแนมเพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์เป็นต้นทำกิจตามหน้าที่นะแต่ในขณะเดียวกันมันสมาทานคือไปใช้รูปแบบของบัญชีเมื่อต้องการไม่ห้คนอื่นก็สงสยัย ลักษณะเหล่านี้ชื่อว่านำธรรมะมาเป็นเครื่องมือในการค้าขายในกิจกรรมบางอย่างเนี่ยที่จริงมาเขาให้เป็นประธานพระนักเผยแผ่ธรรมะทางสื่อสื่อโทธทัศน์แต่ว่านัดประชุมสักทีเนี่ยประชุมยากเลยครับหรือก็มังจะชี้แจงทำความเข้าใจนะครับเพราะว่า ที่ยังมองว่าถ้าเราเผยแพแล้วก็ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายคงไม่มากเท่าไหร่แต่วันนี้ท่านดีรายในกิจกรร ม, มอื่นๆด้วยขอนะสร้างวัดบางทอดผาป่ า, าทอดก้าวทิ้นน้ำทั่วได้ แ, แตาไรทางๆก็มากเท่าแล้วมันดีไม่ ด, มดีมันเป็นปัญหาในข้อกฎหมายซึ่งยังนึกว่า ในรายประชุมีควรจะพูดแต่ท่านคิดเอาเองแต่ัดสินใจเอาเองคือทํายัไไงไๆว่าเราจับหลักเนี่ยหลักการเผยแผ่พ ร, ระพุทธเจ้าทรงวางไว้เนี่ยสองชุดใหญ่ใหญ่เลยชุดหนึ่งก็คือเป็นองค์ของผู้กล่าวธรรมะเป็นคุณสมบัติผู้านา้เป็นคุณสมบัติของผู้กล่าวธรรมะเรียกว่าธรรมกถึก ไม่ได้โจจงว่าเป็นพระหรือข่าวว่าแต่ว่าพอดีก็ส่วนใหญ่เขาก็เทศกับพระเรียกว่าทำรรมากกระตุกถรร้าม่กระตุกแปลว่ากล่าวธรรมนะไม่ใช่นักเทศนะฮะไม่ใช่นักเทศคือคนกล่าวธรมรมที่สุดใครก็ได้ที่กล่าวธรรมเราจะเห็นว่ามันเป็นการสะท้อนปัญญาใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ความเมตตากรุณาต่อผู้ฟัง ไม่มีคําตอบว่าเราจะได้อะไรจะมีคําถามว่าเราจะให้อะไรจะให้แก่ใครจะให้อย่างไรจะให้โดยวิธีใดให้ ไ, ไปแล้วเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรพระนริสงวางไว้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาคือหนึ่งให้แสดงทำไปตามลําดับไม่ตัดรัฐภักดิ์ความ สองพยายามอ้างเหตุผลชี้แจงแนะนำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจสามตั้งจิตปรารถนาที่ใจเกิดแก่ผู้ฟังธรรมะมันก็ยักย้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมาได้เคยทำรายการที่หมอพลหนึ่งกงพลที่หนึ่งนักศึกษาพระองค์ในหัวข้อว่าใต้ร่มพระพุทธญาณ ตอนนี้ก็เลยเอาเทปที่พูดขถวนั้ น, น, ะ น, ะ น, ะนะมาก็ที่จริงก็จ้างไงเขาลอกนะแต่ไม่ถึงไม่จ้างสมนาคุณเขาก็เป็นลูกศิษย์เขช่วยหาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องถอดเทปให้เขาแเรามาปรับปรุงสำนวนเพื่อใช้เผยแพร่ในหมู่กลุ่มคนที่ ไม่ค่ศึกษาลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่เอาหลักแคง่ายนะ่ะเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตง่ายๆเรนึกว่าจะทะทะทยอยทํามาเป็นชุดๆตัวเลขมันคงไม่คงไม่หนาเนี่ยเผื่คิดว่าสักสองร้อยสองร้อยหน้าอะไรแต่อนนี้เป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนไปจะลองดูว่าตอนนี้ก็ กำลังทำเรื่องจากใจสู่ใจสู่ไมจากใจสู่ใจด้วเมตรีโดยการสนับสนุนของผลเอกเสรีพุกมารกับทนานธิการบดีมาหาวิทยาลัยศรีประทุมและรรัชนีพุกยาพรพุกมารซึ่งงานเราเนี่ยเราก็เผยแพร่ไปรู้สึกเป็นสุข อย่อวันก่อนเนี่ยเอกเสรีสนับสนุนการทำเทปทำาัลเทศซีดีนะฮะเราปรากฏว่าเป็นที่ต้องาการต้องการของญาติโยมเยอะคนมาขอกันเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นสุขจะทำประโยชน์แกพระศาสนาแก่ชาวบ้านแกวิธีการข้อง่ายๆนะ่ะคุยอะไรให้ฟังเบาๆแต่หมายความว่าถ้าคนปฏิบัติไ ด, ด, ได้อย่างนั้นโลกคงก็สงบแล้ว ไม่ต้องเอามากหรอกพราะมองที่ประโยชน์ประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้ทําให้ธรรมเทศนาของพระเจ้ามีความยักย้ายเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้วยโวหารต่างๆที่ท่านเรียกว่าเทศนาวิราชเป็นความสละสลวยความไพเราะของธรรมะที่ส่งแสดงคือกลุ่มเป้าหมายนี่มันเปลี่ยนแปลงโดยจะครอบจั ก, กรวาลเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่า นังสือธรรมะบางเล่มหรือแม้แต่การพูดบางคราวเนี่ยแล้วคนส่วนหนึ่งท่านั้นที่เข้าใจแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อยัง น, นึกถึงว่าสมมติว่าพระเทศควหนึ่งแล้วก็มีคนปฏิบททัติสักสามคนเนี่ยก็บุญนะ่บุญมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเทศทั่วไปจึงจึงไม่ได้เน้นไปที่ความ ความลึกซึ้งของธรรมะที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าจำแนกกระทําให้ตื้นเนี่ยอุตานีกโรติเนี่ยทาให้ตื้นหรือทําเรื่องง่ายให้เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากแล้วก็ทําให้เรื่องที่รู้สึกว่าไกลตัวเนี่ยอยู่กับตัวหเห็นว่าธรรมะกับชีวิตชีวิตกับธรรมะนี่มันเป็นอันเดียวกันแล้วข้อต่อไปก็ ทรงแสดงว่าไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภเห็นแก่ประโยชน์เคยไปในต่างจังหวัดเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นวิทยากรอบกกรมจริยะศึกษาของกระเสวของกรมการศาสนากรมการศาสนาเขาก็ ม, มีมนองค์เดียลากไปลากมาทั่วประเทศก็ไปทางภาคเหนือมีคนคุ๊กฟองเยอะ ว่าพระเวลาเทศเนี่ยท่านเรียกค่าเรียกค่าใัาจา้จ่ายจำนวนเท่านั้นทนันนี้ตอนก่อนไปในที่หนึ่งมีคนเ็าบอกว่ามีมนเจ้าคุณรูปหนึ่งไปเทศเนี่ยเาถามว่ามีคนกี่คน ก, ก็ยากอยู่นะแต่ว่าอย่าลืมามอุดมการณ์ของพระจริงๆต้องไม่คิดว่าเราจะได้อะไร จะได้หรือไม่ได้เราไม่แปลกอะไรเราก็ทํางานกับเราไปพูดธเจ้าเขาเลี้ยงเองเนี่ยเราก็ทำเท่าที่เราทําได้แล้วไม่แสดงธรรมกระทบตนและบุคคลอื่คือไม่ได้เจตนาที่จะมุ่งกระทบใครจะด่าว่าใครให้เราสังเกตว่ามันเป็นกุศลและเจตนาที่มุ่งอนุเคราะห์เป็นเบื้องหน้าเป็นโลกาโนกรรมประกะคือเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อชาวโลก เันบงกระแสของการเผยแร่ธรรมะที่จริงจะมีความบริสุทธิ์มากคนจิตใจไม่ถึงจริงๆเขาไม่ทำเราลองดูด้วว่ามีหมาจระไนไหนบ้างที่สนับสนุนกิจกรรมธรรมะอย่างหม า, าจระไนศรีพิทุมเป็นหมาจรนเอกชนนะของเอกชนทแท้ๆๆอไรเขายัางทำเราก็ชื่นชมเขาเดีพร้อมจะอนุโมทนาสาธุการนะครับ และในชุดหนึ่งเนี่ยทรงสแสดงมาในคิดหกก็หกข้อคือในห้าปรามชาวบ้านจากความชั่ววิธีการนั้นคือวิธีการหลากหลายยังไงก็ไม่ว่าไอ้จบลงมาด้วยกันเขาเว้นความชั่วกันแล้วกันแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เขากระทําความดีการสรงข้อนั้นจะส่งสงข์ะ้อชาวบ้านในนั้นแต่อันงาม แสดงอะไรแสดงอย่างไรแสดงแก่ใครแสดงที่ไหนแสดงไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรคือประโยชน์เขานี่เป็นที่ตั้งวลคาว่าบาวเชนัยตาญาบาวเชนาสุขายาโลกาโนกัมบายาหิตายาตุขายาเดวมนุสานั้นคือประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ ค, ความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อเป็นการโนเคราะห์ต่อชาวโลกนั่นคืออุดมการณ์ พุทธุมการตรงนี้ต้องหลอมรวมเข้าเป็นจิตใจของเราเลยแล้พระจะต้องทํางานอย่างนั้นและให้ทหําไปเแต่จะรู้สึกว่าตัวเองได้รับความสุขความสุขที่ได้ทําคือความสุขจากการให้กับการรับมันจต่างกัน น, นะเพราะบางคนอาจจะรู้สึกเป็นสุขจากการได้รับแต่ว่าธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสุขจากการได้ให้ เราะเพราะว่าสมบัตานางธรรมนังชินนาติการให้ธรรมะในชนะการให้ทั้งปวงผลลักการตรงนี้ของพระในพระพุทธศาสนาคือบรรพชิตในพระพุทธศาสนานจะต้องทํางานโดยพื้นฐานของพระพุทธคุณหมายความว่าตัวเองจะต้องสัมผัสพระพุทธคุณระดับใดระดับหนึ่งก็ว่ากันไปนะฮะกัแล้วแต่ มันก่อนได้ยินพระพูดเราก็เสลดโลดใจนะฮะมีการมีมนพระมาะที่ทำเนียบรัฐบาลที่จริงเอามาก็รับมีมนด้วยนะฮะพอดีเกิดท้องเสียขึ้นมาไปไม่ได้จะมีคนเข้ามาบอกว่านะว่าวถวายน้อยสึบเท่าไรนะสามอยห้าสิบก็แน่นอนแหละค่าเครื่องบินมันก็ไม่ได้แร้วแต่ว่ามันไม่แปลกอะไร ง, งานแผ่นดินเนี่ย งานแผ่นดินเราเป็นคนก็แผ่นดินทํางานเพราะแผ่นดินไม่ต้องคิดว่าเราจะได้อะไรอ่ะเราได้ให้อะไรแก่แผ่นดินเราทดแทนคุณของแผ่นดินก็พอแล้วมันจะไปเรียกร้องอะไรอะคือคือบางทีเราเราก็คิดแบบพระนะที่วันก่อนเนี่ยไปคุยกใครเอาพูดมวยการสํงงานักงานพุทสนาแห่งชาติ มีข่าวว่าจะเพิ่มนิจพัตร์พระขึ้นไปอีกตั้งถรลายห้าสิเปอร์เซ็นตแล้วบางแห่งบอกว่าเรียกร้องร้ยเปอร์เซ็นต์แบอกว่าอย่าไปคิดเพิ่มเลยคือพระที่เราจะเพิ่มให้ท่านเนี่ยท่านมีอัติเรกระลา พ, พอที่จะครองชีวิตแบบสมณะอยู่ได้แล้วแต่ถ้ารัฐบาลจะเพิ่มเนี่ยเพิ่มให้ให้เป็นกองกลางเนี่ย เพื่อ ง, งานการศึกษาการเผยแพร่การสาึกษาสงเคราะห์การสาธานะสงเคราะห์การพึกกบฏอะไระต่างๆเนี่ย น, นี่ทุ่มมาเถอะเท่าไรก็เท่านั้นนี่เป็นการดีเฮ้ยนี่เราต้องการคุณภาพของประชากรจะเป็นเรื่องใหญ่นะอย่างแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถบทะเลนดำมันที่าเ น, นี่ยที่จริงมันเป็นมาตรวัดคุณภาพประชากรได้เยอะนะ หรือถ้าเอามาติดตามมาศึกษาแล้วก็มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ในการทำงานโอกาสต่อไปไมัจะได้อะไรเยอะเลยแล้วก็ข้อต่อไปบอกว่าให้ผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เขายังเคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดก็พยายามอธิบายขเขาเข้าใจชัดเจนมากขึ้นๆแล้วก็ให้เขาบันเทา บอกทางสวรรค์นะ บ, บอกทางสวรครค์ให้คือเหตุเป็นความเสื่อมีหตเป็นความเจริญนั่นแหละทีนี้พระอ า, าจารย์ท่านมาสรุปคุณลักษณะของมันระชิดในาศาสนานี้พูดเฉพาะในพุทศาสนานะฮะ บ, บอกว่าใครบุคคลใดแม้ประพฤติภูมิจันทร์บริสุทธิ์ในศาสนานี้ก็ประพฤติภูมิจันทร์เพื่อปรารถนาเทพนิกายเราใดเราหนึ่ง นีเอาเอาอีกระดับหนึ่งฮะคือพระนี่ไปตั้งความปรารถนาโอ้ยก็มีเทพธิดาเยอะก็อยากจะตายตายตายไปเกิดเป็นเทพบุตรไม่ได้นะฮะปรับประบัตินะพร ะ, พระนี่ไม่ได้ไปตั้งความปรารถนาอย่างนั้นไม่ได้ปรารถนาเท่านทรงสแสดงว่าเป็นเมธุนัสังโยคคือจิตเป็นความคิดที่กรอบในเมธุนธรรมก็ชื่อว่า นำธรรมะมาการค้านะฮะเอาธรรมะมาทําการค้าเป็นการค้ากำไรประการหนึ่งคือไม่พึงประพฤติคือไม่พึงกระทําการค้าด้วยธรรมะอย่างนี้บทสรุปรวมที่ที่น่าประทับใจเนี่ยก็วันก่อนก็เทปรายการวิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่คนเอกเสรีสนับสนุนให้ทําเนี่ย ขอเขอาข้อความตัวนี้ยที่จริงเป็นพระพุทธตําตพระพทธเจ้ารับสั่งกับพระเจ้าสุธโธธนะบาพึงประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตครอบจักรวาลเลยนะคเนี่้ครอบจักรวาลหมดวิเคราะห์ได้เลแต่ละขณะแต่ละขณะอันนี้สุจริตหรือทุจริตอันนี้สุจริตหรือทุจริตถ้าทุ จ, จริตเราไม่ประพฤติถระทุ จ, จริต เมื่อไรที่ไหนก็ได้พระบอพุทธไม่ต้องไปใส่ใจว่าใครจะรู้เห็นหรือไม่รู้เห็นยกย่องหรือไม่ยกย่องในทั้งวันหรือไม่เนี่ยไม่ต้องไปงจิใจเพราะเราเราจะเห็นว่าพระพุทธภาสิทธิที่พระพุทธเจ้ายึดเน้นย้ำในที่นี้เป็นไม่ได้เจาะจงพวกนั้นในเจาะจงพวกนักบวชลอมนะฮะนักบวชล้อมทั้งหมดทั้งทั้งทั้งเจ็ดทั้ง 7, ทั้งหกกลุ่ม เรีว่าเป็นการสะท้อนภาพในมุมของพระพุทธศาสนาหมายความมนักบวชในอุดมคติทางพระพุทธศาสนาะต้องมีคุณลักษณะอย่างนี้เป็นการพูดระดับพื้นฐานคือไม่นะฮะหมายความว่าเป็นเป็นระดับศีลเป็นระดับศีลไม่ใช่ระดับลึกซึ้งเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องผ่านระดับตรง น, นี้ได้คือหนึ่งบรรพจิตไม่ควรพยายามในบาปทั่วไป สองไม่ควรเป็นคนใช้ของคนอื่นสามไม่ควรอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่สี่ไม่ควรแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์นี่เป็นเป็นลักษณะเป็นคุณลักษณะมาตรฐานเบื้องต้นนะไม่ใช่สูงสุดนะสูงสุดยังต้องไปมากกว่านั้นชีวิตที่เดินอยู่บนเส้นทางของธรรมะเนี่ย เขาเขีวนว่าเป็นลักษณะของการบริการแต่ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์บริการเพื่อให้เกิดอนุกูลแก่บุคคลเราอื่นคนอาจจะรู้สึกว่าคิดเป็นเงินเป็ทองมันก็ไม่ได้เงินได้ทองนะแต่ถ้าคุณภาพจิตใจแล้วเราจะเป็นสุขเป็นสุขใจที่ได้เห็นเช่นว่า เราคุยก็เด็กคนหนึ่งแกปิดยามากแล้วเราก็ชวนแกนมาคุยเราลัางเธอเลิกได้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจะติดตามได้เราก็รู้สึกเป็นสุขและเราก็ไม่ต้องการผลตอบแทนอะไรอีกขอให้ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมมีส่วนแบ่งในความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นอย่างนี้ยยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสีจังหวัดภาคใต ก็พระนิกาหนดกาหนดได้เสียสละนิตยภัตกันคนละเดือนนะฮะทีนี้นิจยาพัตก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแลวมาก็บอกเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าที่จริงก็ไม่ควรจะไปจำกัดอย่างนั้นคิอทมกันตามกำลังความสามารถใครที่สามารถจะช่วยเหลือสังคมมันเป็นส่วนรวมได้มากก็ทำไปเลย นะเม่ต้องไปขีดเส้นไม่ต้องขีดเส้นเท่านั้นเท่านี้ถนนคือว่าการตามกันจริงแนวไปบังคับเนี่ยที่จริงได้น้อยกว่าไม่บังคับคือพวกที่ทํางานกิจกรรมเร่ไรในแนวนี้ไม่เข้าใจคือมนุษย์อย่าให้รู้สึกว่าถูกสั่งหรือเราต้องปฏิบัติตามที่คขสั่งถ้าท่านเป็นคนสั่งไม่มีสิทธ์จะสั่งคนสั่งไม่มีสิทธิ์ ไม่รู้ตั ว, วตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะจ่ายอยากให้จ่ายท่านั้นท่านี้เอาสิทธิอะไรมัจา่ายเจ้าคณะจังหวัดเจา้าคณะภาคเจ้ า, จาหน้าอะไรไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าเราชักชวนชักชวนบอกกล่าวกันขอความร่วมแรงลดใจกันให้เขารู้สึกว่าเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความเสมอภาคกับคนที่ออกหนังสือ แล้วคนก็ไปจากมาที่ ว, วัดรวนเนี่ยเคยมีพระเถระรูปหนึ่งตอนนี้ท่านมรรภาพไปแล้วเวลามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการบอกบุญตอนนี้ท่านท่านไม่เคยสั่งแลานไม่เคยบอกมั้งครับแล้วถ้าองค์นี้ออกหนังสือลงนามมาแล้วเนี่ยพระจะให้เยอะมากอ่านี้จะพัดกี่เดือนของเดือนสามเดือนอะไรท่านมีท่านก็ให้เรียกว่าก็อะไรจากพร ะ, ะมันจะเอาอะไรมากไม่ได้หรอกแต่ว่า หมายความว่าความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นปลอจวประการหนึ่งนะถ้าเราไม่เข้าใจสังคมให้ชัดเจนและใช้วิธีการบังคับกะเกณอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมันจะห่างเหินกันไปใจจะไม่ประสานใจจะไม่รู้สึกเป็นมิตรอะไรรู้สึกว่าแกน่แกน แต่ อ, อยากทำมากแต่พอใช้วิธีนั้นเลยไม่ทำได้ใจมันก็ฝุ่มหมดไม่ได้เร่ยนมันต้องปล่อยเปิดใจให้กว้างเปิดใจให้างแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเปิดใจรับกว้างาได้เหมือนกันแล้วฟังกันเสิ่งธรรมจากมหาธไรศรีปทุมในวันนี้ขออุติไว้ด้วยเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามเนบูนิธรรม มีแต่ท่านทุกความทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี